ต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากษัตัิย์ทั้งหลายมีความประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในกำลังทหารต้องการได้เป็นเจ้าแผ่นดินมีความเป็นใหญ่เป็นที่สุดชานุโสนิพราหม์ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมพรามทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไร มีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์ทั้งหลายมีความประสงค์โภคทรัพย์นิยมปัญญามั่นใจในมนต์ต้องการบูชายันมีพรหมโลกเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระโคดมข้าบดีทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดข้าบดีทั้งหลายมีความประสงค์โภคทรัพย์ ry, ing, นิยมปัญญา มั่นใจในศิลปะต้องการการงานมีการงานที่ทำเสร็จแล้วเป็นที่สุดค่าแต่ท่านพระโคโดมสตรีทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดสตรีทั้งหลายมีความประสงค์บูรุษนิยมเครื่องประดับมั่นใจในบุตรไม่ต้องการหญิงเอื่นร่วมสามีมีความเป็นใหญ่ในบ้านเป็นที่สุด ข้าแต่ท่านพระโคดมโจรทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไรมั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดพราหมณ์โจรทั้งหลายมีความประสงค์การลักทรัพย์ผู้อื่นนิยมที่เร้นลับมั่นใจในศาสตราต้องการที่มืดมีผู้อื่นไม่เห็นเป็นที่สุดข้าแต่ท่านพระโคดมสมณะทั้งหลายมีความประสงค์อะไรนิยมอะไร มั่นใจอะไรต้องการอะไรมีอะไรเป็นที่สุดสมณะทั้งหลายมีความประสงค์ขันติและโสรจะจักนิยมปัญญามั่นใจในศีลต้องการความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีนิพพานเป็นที่สุดชาณวโสณิพรมกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมน่าอา์ จ, จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคดมทรงทราบความประสงค์ความนิยม ความมั่นใจความต้องการและสิ่งอันเป็นที่สุดแม้แห่งกษัตริย์ทั้งหลายและถึงแม้แห่งพราหมณ์ทั้งหลายแม้แห่งข้าบดีทั้งหลายแม้แห่งสตรีทั้งหลายแม้แห่งโจรทั้งหลายและถึงท่านพระโคดมทรงทราบความประสงค์ความนิยมความมั่นใจความต้องการและสิ่งอันเป็นที่สุดแม้แห่งสมณะทั้งหลายข้าแต่ท่านพระโคดม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 ย, ย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้ามีอยู่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพราหมณ์ทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้ามีอยู่พราหมณ์ทูลถามว่าข้าแต่ท่านพระโคดม ก็ทำอย่างหนึ่งที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดยยยยยมมยยถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้า เรียบเหมือนรอยเท้าชนิดใดของสัตว์ทั้งหลายผู้สัญจรไปบนแผ่นดินรอยเท้าเหล่านั้นทั้งหมดย่อมถึงความรวมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศ ก, กว่ารอยเท้าเหล่านั้นเพราะรอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสอง คือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนกลอนชนิดใดชนิดหนึ่งแห่งเรือนยอดกลอนเหล่านั้นทั้งหมดย่อมน้อมโน้มรวมเข้าหายอดเรือนยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศ ก, กว่ากลอนเหล่านั้นฉันใดทำาอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วละถึงก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปรียบเหมือนบุคคลผู้เกี่ยวย่าเกี่ยวย่าแล้วก็จับที่ยอดสลัดลงฟาดไปเคาะไปฉันใดทำาอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนเมื่อพวงผลมะม่วงถูกตัดที่ขั้วผลมะม่วงลูกใดลูกหนึ่งที่ติดอยู่กับขั้วผลมะม่วงเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นของติดไปกับขั้วฉันใด ทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนพระราชาผู้ปกครองประเทศเล็กๆพระองค์ใดพระองค์หนึ่งพระราชาเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเป็นผู้ขึ้นตรงต่อพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิศกว่าพระราชาเหล่านั้นฉันใดทําอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาท ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันเปรียบเหมือนแสงสว่างชนิดใดชนิดหนึ่งแห่งดวงดาวแสงสว่างเหล่านั้นทั้งหมดไม่ถึงส่วนที่16แห่งแสงสว่างของดวงจันแสงสว่างของดวงจันชาวโลกกล่าวว่าเป็นเลิกกว่าแสงสว่างแห่งดวงดาวเหล่านั้นฉันใดทําอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทาให้มากแล้ว ย่อมยึธธดย um ยยนนยมมถอธธือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าก็ฉันนั้นเหมือนกันพรามทำอย่างหนึ่งคือความไม่ประมาทที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมยึดถือไว้ได้ซึ่งประโยชน์ทั้งสองคือประโยชน์ในภพนี้และประโยชน์ในภพหน้าพรามกราบทูลว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพาสิของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ข้าแต่ท่านพระโคดมพาสิโคงท่านพระโคดมชัดเจนไพร่ยิ่งนักและถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตอัปมาทสูตรที่สิบเอ็ดจบ ทิสองธรรมิกสูตรว่าด้วยท่านพระธรรมิกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ภูเขาคิจกูรเขกรุงราชเครืสมัยนั้นท่านพระธรรมิกะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในอาวาสเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดทราบว่าท่านพระธรรมิกะดา่าบริพาดเบียดเบียนทิมแทง เสียสีพวกภิกษุอคันตุกะด้วยวาจาและภิกษุอคันตุกะเหล่านั้นเมื่อถูกท่านพระธ ร, รมิกดาด่าบริพาสเบียดเบียนทิมแทงเสียสีด้วยวาจาจึงหลีกไปไม่อยู่และทิ้งอาวาสครั้งนั้นพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทมีความคิดดังนี้ว่าพวกเราได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบิทบาทเสนาสนะ และคีลานปั จ, จัยเพศบริคานแต่พวกพิกษุอัันตุกะก็หลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้พวกพิกษุอัคันตุกะหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสต่อมาพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทคิดกันว่าท่านพระธรรมิกะนี้เองด่าบริพาตเบียดเบียนทิมแทง เสียสีภิกษุอัันตุกะด้วยวาจาและภิกษุอัันตุกะเหล่านั้นเมื่อถูกท่านพระธรรมิกะด่าบริภาดเบียดเบียนทิมแทงเสียดสีด้วยวาจาจึงหลีกไปไม่อยู่และชิ้งอาวาสทางที่ดีพวกเราพึงช่วยกันขับไล่ท่านพระธรรมิกะให้หนีไปจึงเข้าไปหาท่านพระธรรมิกะถึงที่อยู่เด่กล่าวกับท่านพระธรรมิกะดังนี้ว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาสนี้ท่านไม่ควรอยู่ในอาวาสนี้ภายหลังต่อมาท่านพระธรรมิกะได้จากอาวาสนั้นไปสู่อาวาสอื่นทราบว่าแม้ที่อาวาสนั้นท่านพระธรรมิกะก็ด่าบริภาษเบียดเบียนทิมแทงเสียดสีพวกภิกษุอาคันตุ ก, กะด้วยวาจาและภิกษุอาคันตุ ก, กะเหล่านั้น เมื่อถูกท่านพระธรรมิกะดา่าบริภาธเบียดเบียนทิมแทงเสียสีด้วยวาจาหลีกไปไม่อยู่และทิ้งอาวาสครั้งนั้นผู้อุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทมีความคิดดังนี้ว่าพวกเราได้บำรงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศบริคาร แต่พวกภิกษุอคันตุกะก็หลีไปไม่อยู่และทิ้งอาวาสอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยให้พวกภิกษุอคันตุกะหลีไปไม่อยู่และทิ้งอาวาสผู้อุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทคิดกันว่าท่านพระธรรมิกะนี้เองดา่าบริพาดเบียดเบียนทิมแทงเสียสีพวก พ, วกพิกษุอคันตุกะด้วยวาจาและภิกษุอคันตุกะเหล่านั้น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 ท่านไม่ควรอยู่ในอาวาสนี้ภายหลังต่อมาท่านพระธรรมิกะได้จากอาวาสแม้นั้นไปสู่อาวาสอื่นทราบว่าแม้ที่อาวาสนั้นท่านพระธรรมิกะก็ด่าบริพาธเ บ, บียดเบียนทิ่มแทงเสียสีผู้พิสุอาคันตุกะด้วยวาจาและพิกสุอาคันตุกะเหล่านั้นเมื่อถูกท่านพระธรรมิกะด่าบริพาธเบียดเบียนทิ่มแทงเสียสีด้วยวาจา ก็หลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสครั้งนั้นพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทมีความคิดอย่างนี้ว่าพวกเราได้บำรุงภิกษุสงฆ์ด้วยจีวรบินบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเพศบริขารแต่พวกภิกษุอคันตุ ก, กะหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัย ให้พวกภิกษุอคันตุกะหลีกไปไม่อยู่ละทิ้งอาวาสต่อมาผู้อุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทคลิกกันว่าละถึงทางที่ดีพวกเราพึงช่วยกันขับไล่ท่านพระธรรมิกะให้หลีกไปจากอาวาสทั้งเจ็แห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดจึงเข้าไปหาพระธรรมิกะถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวกับท่านพระธรรมิกะดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ขอท่านพระธรรมิกะจงหลีกไปจากอาวาทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิทั้งหมดครั้งนั้นท่านพระธรรมิกะได้มีความคิดดั่งนี้ว่าเราถูกพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทขับไล่ออกจากอาวาทั้งเจ็แห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดบัดนี้เราจะไปที่ไหนหนอครั้งนั้นท่านพระธรรมิกะได้มีความคิดว่าทางที่ดี เราควรจะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับลำดับนั้นท่านพระธรรมิกะถือบาทและจีวรหลีกไปทางกรุงราชครืไปถึงกรุงราชครื้และภูเขาคิจกูดโดยลำดับเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าพร์ธรรมิกะเชิญเถิดท่านมาจากไหนหรือ ท่านพระธรรมิกะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ถูกพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบทขับไล่ออกจากอาวาสทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์ธรรมิกะจะมีประโยชน์อะไรแก่เธอด้วยการอยู่ในชาติภูมิชนบทนี้ควรแล้วที่เธอถูกขับไล่ให้ออกจากอาวาสนั้นๆ แล้วมาในสำนักของเราเรื่องเคยมีมาแล้วพวกพ่อค้าทางทะเลจับนกที่ค้นหาฝั่งแล้วออกเรือเดินทางไปยังสมุทรเมื่อเดินเรือไปไม่เห็นฝั่งพวกเขาก็ปล่อยนกค้นหาฝั่งมันบินไปทางทิ่ตะวันออกบินไปทางทิตะวันตกบินไปทางทิศเหนือบินไปทางทิศใต้บินขึ้นสูงบินไปทางทิศเฉียงถ้ามันเห็นฝั่งอยู่ใกล้ ก็บินเข้าไปหาฝั่งทีเดียวแต่ถ้ามันไม่เห็นฝั่งอยู่ใกล้มันก็จะกลับมายังเรือนั้นฉันใดพรามธ ม, มิกะเธอถูกขับไล่ออกจากอาวาสนั้นๆและมายังสำนักของเราก็ชันนั้นเหมือนกันเรื่องเคยมีมาแล้วต้นไซใหญ่ชื่อสุปติทะของพระเจ้าโกรพยะมีห้าหยิงมีร่มเงาเย็นน่ารื่นรมย์ใจ ก็ต้นไซใหญ่ชื่อสุปติธะมีกิ่งก้านแผ่ไปถึงส2โองยอมีรากแผ่ไปได้ห้ายนมีผลใหญ่เหมือนกระทะหุงข้าวสารได้อลกะหนึ่งมีผลอร่อยเหมือนรวงพึ่งเล็กซึ่งไม่มีโทษพระราชาสวยผลไซใหญ่ชื่อสุปฏิทะกิ่งหนึ่งพร้อมกับนางสนมหมู่ทหารบริโภคกิ่งหนึ่งชาวนิคมและชาวชนบทบริโภคกิ่งหนึ่ง สมณพราหมณ์บริโภคกิ่งหนึ่งเนื้อและนกกินกิ่งหนึ่งไม่มีใครหวงแหนผลของต้นไทรใหญ่ชื่อสุปติทะไว้และไม่มีใครใครแย่งผลของกันและกันต่อมาบุรุษคนหนึ่งบริโภคผลของต้นไทรใหญ่ชื่อสุปติทะพอแก่ความต้องการแล้วหักกิ่งหลีไปครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไทรใหญ่ชื่อสุปติทะ มีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏคนชั่วนี้บริโภคผลของต้นไซใหญ่ชื่อสุปติทะจนพอแก่ความต้องการแล้วหักกิ่งหลีกไปทำอย่างไรต้นไซใหญ่ชื่อสุปติทะจะไม่พึงออกผลต่อไปหลังจากนั้นต้นไซใหญ่ชื่อสุปติทะไม่ได้ออกผลอีกต่อไปครั้นต่อมา พระเจ้าโกรพยะเสด็จเข้าไปหาเท้าสักกะจอมเทพถึงที่ประทับได้ทูลเท้าสักกะว่าขอเดชะท่านผู้นิรทุกพระองค์พึงทราบเถิดว่าต้นไสใหญ่ชื่อสุปติธาไม่ออกผลทีนั้นเท้าสักกะจอมเทพทรงบันดาลให้ลมฝนอย่างแรงพัดโค่นต้นไสใหญ่ชื่อสุปฏิธาล้มลงทาให้มีรากขึ้นเบื้องบนด้วยฤทธิ์ลำดับนั้น เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไซใหญ่ชื่อสุปฏิทะเป็นทุกข์เสียใจได้ยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่หน้าที่สมควรภายหลังเท้าสักกะจอมเทพเข้าไปหาเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไซใหญ่ชื่อสุปฏิทะถึงที่อยู่แล้วถามว่าเทวดาทำไมหนอเธอจึงเป็นทุกข์เสียใจยืนร้องไห้น้ำตานองหน้าอยู่หน้าที่สมควร เทวดานั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เพราะลมฝนอย่างแรงพักโค่นที่อยู่ของข้าพระองค์ล้มลงทําให้มีรากขึ้นเบื้องบนพระเจ้าค่ะเทวดาก็เมื่อเธอดํารงอยู่ในรุกธรรมทําที่เทวดาผู้สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้พึงประพฤติแล้วลมฝนอย่างแรงได้พัดมาโค่นที่อยู่ของเธอล้มลงทําให้มีรากขึ้นเบื้องบนได้อย่างไร เทวดาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ดำรงอยู่ในรูปธรรมเป็นอย่างไรเทวดาหมู่คนในโลกนี้ผู้ต้องการรากย่อมนํารากของต้นไม้ไปผู้ต้องการเปลือกย่อมนําเปลือกไปผู้ต้องการใบย่อมนําใบไปผู้ต้องการดอกย่อมนําดอกไปผู้ต้องการผลย่อมนําผลไป แต่เทวดาไม่พึงดีใจหรือเสียใจเพราะการกระทานั้นๆเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ที่ต้นไม้ดํารงอยู่ในรกปธ ร, รรมเป็นอย่างนี้แลข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกข์ข้าพระองค์ไม่ดํารงอยู่ในรกปธรรมเป็นแน่ลมฝนอย่างแรงจึงได้พัดโค่นที่อยู่ของข้าพระองค์ให้ลม้มลงทำให้มีรากขึ้นเบื้องบนเทวดาถ้าเธอพึงดํารงอยู่ในรูปธรรม ที่อยู่ของเธอก็จะพึงมีเหมือนการก่อนข้าแต่พระองค์ผู้นิรุกษขข้าพระองค์จะดํารงอยู่ในรุกธรรมขอให้ที่อยู่ของข้าพระองค์จงมีเหมือนการก่อนเถิดลำดับนั้นท้าวสักกระจอมเทพได้ทรงบันดาลให้มีลมฝนอย่างแรงพัดต้นไซใหญ่ชื่อสุปติทะให้กลับตั้งขึ้นดังเดิมด้วยฤทธิ์ต้นไซใหญ่ชื่อสุปฏิทะได้มีเปลือกมีราก ตั้งอยู่ดังเดิมชั้นใดพระธรรมิกะอุบาสกอุบาสิกาชาวชาติภูมิชนบททั้งหลายได้ขับไล่เธอผู้ตั้งอยู่ในสมณธรรมให้ออกจากอาวาสทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดชั้นนั้นเหมือนกันท่านพระธรรมิกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสมณะดำรงอยู่ในสมณธรรมเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า พรามธรรมิกะสมณะในธรรมวินัยนี้ไม่ด่าตอบบุคคลผู้ด่าอยู่ไม่เสียดสีตอบบุคคลผู้เสียดสีอยู่ไม่ประหารตอบบุคคลผู้ประหารอยู่พรามธรรมิกะสมณะดารงอยู่ในสมณธรรมเป็นอย่างนี้แลท่านพระธรรมิกะทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญผู้อุบาสกชาวชาติภูมิชนบทได้ขับไล่ข้าพระองค์ ผู้มีดำรงอยู่ในสมณธรรมให้ออกจากอาวาทั้งเจ็ดแห่งในชาติภูมิชนบททั้งหมดพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพรามธรรมิกะเรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่อสุเนตะเป็นเจ้าลทัทธิผู้ปราศจากความกำหนดในกามทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคนได้แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลก สาวกเหล่าใดเมื่อครูสุเนตตะแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ไม่ทําจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้วได้เกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนสาวกเหล่าใดเมื่อครูสุเนตตะแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้เกิดในพรหมโลกอยู่ได้ทําจิตให้เลื่อมใสสาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้ว ได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เรื่องเคยมีมาแล้วมีครูชื่อมูคาปักกะและถึงมีครูชื่ออารเนมิมีครูชื่อกุทธาลกะมีครูชื่อหัตถิปาละมีครูชื่อโชติปาละเป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดในกรรมทั้งหลายมีสาวกหลายร้อยคน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 สาวกเหล่านั้นหลังจากตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์พรามธรรมิกะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรผู้ใดมีจิตถูกโทสะประทุจร้ายพึงด่าบริพาทครูทั้งหกนี้ผู้เป็นเจ้าลัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดเนกามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากหรือไม่ ท่นพระธรรมิกะกราบทูลว่าพึงประสบพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์มิกะผู้ใดมีจิตถูกโทสะประทุสร้ายพึงด่าพึงบริภาคครูทั้งหกนี้ผู้เป็นเจ้าลทัทธิผู้ปราศจากความกำหนัดน ก, กามทั้งหลายมีบริวารหลายร้อยคนพร้อมทั้งหมู่สาวกผู้นั้นพึงประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมาก ผู้ใดมีจิตถูกโทสะประทุษร้ายพึงด่าบริาพาทบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคนเดียวผู้นั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญมากกว่าบุคคลผู้ด่าบริาพาศครูทั้งหกนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเราไม่กล่าวว่าการขุดโค้นคุณความดีของตนเช่นนี้จะมีภายนอกาศาสนานี้เหมือนการด่าการบริาพาศเพื่อนพรหมจารี พรามธรรมิกะเพราะเหตุนั้นแลเธอพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าจิตของเราจะไม่ประทุสร้ายในเพื่อนพรหมจารีผู้เสมอตนพราหมณ์ธรรมิกะเธอพึงสำเนียกอย่างนี้แหลครูทั้งหกผู้มียศได้รับยกย่องว่าเป็นเจ้าลัทธิในอดีตคือครูสุนเนตตะครูมูขปะขะัค่ะครูอระเนมิครูกุทธาระกะ ครูหัตถิปาละมนกและครูโชติปาละผู้เป็นพราหมณ์ปุโรหิตของพระราชาเจ็ดพระองค์เป็นเจ้าของโขท่านเหล่านั้นเป็นผู้หมดกลิ่นสาบมุ่งมั่นในกรุณาล่วงพ้นกามสังโยชตคลายกามราคะเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วแม้สาวกหลายร้อยคนของครูเหล่านั้นก็เป็นผู้หมดกลิ่นสาบมุ่งมั่นในกรุณาล่วงพ้นกามสังโยต กลายการมราคาเสียได้เป็นผู้เข้าถึงพรหมโลกแล้วนรชนใดมีความดํ่งิ์ทางใจถูกโทสะประทุสร้ายแล้วบริภา ท, ท่านผู้เป็นฤาษีทั้งหลายภายนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดมีจิตตั้งมั่นแล้วนรชนนั้นย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากส่วนนรชนใดมีความดํ่งิ์ทางใจถูกโทสะประทุสร้ายแล้ว บริพาสภิกษุผู้เป็นพุทธสาวกมีทิฏฐิสมบูรณ์รูปเดียวนรชนนี้ย่อมประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญมากกว่าผู้บริพาสครูเหล่านั้นนรชนไม่พึงเสียดสีท่านผู้มีความดีผู้ละทิฏฐิได้แล้วเราเรียก บ, บุคคลผู้มีอินสี่ห้าที่ยังอ่อนคือศรัทธาสติวิริยะสมาถะและวิปัสสนายังไม่ปราศจากความกำหนัดเนกาทั้งหลาย ว่าเป็นบุคคลที่เจ็ดแห่งอริยสงฆ์นรชนใดเบียดเบียน er ทำร้ายบุคคลเช่นนั้นผู้เป็นภิกษุในการก่อนนอรชนนั้นชื่อว่าทำร้ายตนเองบัณร อ, อรหัตผลในภายหลังส่วนนรชนใดรักษาตนนรชนนั้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาตนในภายนอกเพราะเหตุนั้นบัณฑิตไม่พึงขุดค้นคุณความดีของตน พึงรักษาตนทุกเมื่อเถิดทามิกระสูดที่12จบทามิกระวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นาคสูตร 2. มิคษาลาสูตร 3. อินนาสูตร 4. มหาจุนทัส ส, ทสูตร 5. ปฐมสันติกกสูตร 6. ธุติยะสันติิกสูตร เเคมสูตร 8. อินทริยะสังวรสูตร 9. อาอนันทสูตร 10. คพิยสูตร 11. อาปมาทสูตร 12. บธามิกะสูตรพัทมทท ม, ปมปันนาจบ กุทยปัญนาตหนึ่งมหาวัฏหมวดว่าด้วยเรื่องใหญ่หนึ่งโสนสูตรว่าด้วยพระโสนะข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนภะูเขาคิชกูรเคครุงราชครืสมัยนั้นท่านพระโสนะอยู่ที่ป่าศีตะวันเคครุงราชครืครั้งนั้น ท่านพระโสนะหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำหนึ่งในจิตดังนี้ว่าในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารพความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ฉะไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพสมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพสมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดี เราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นขรหัสใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบด้วยพระไทยถึงความคิดคำหนึง่งในจิตของท่านพระโสนะจึงทรงหายไปจากภูเขาคิจกูดมาปรากฏพระองค์ที่ป่าสีตะวันเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าประทับนั่งบนพุทธาที่ปูลาดไว้ แม้ท่านพระโสนะก็ทวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัส ก, กับท่านพระโสนะดังนี้ว่าโสนะทธอหลิกเร้นอยู่ในที่สงัดมีความคิดคำานึงในจิตดังนี้ว่าในบรรดาพระสาวกของพระผู้มีพระภาคที่ปรารพความเพียรเราก็เป็นรูปหนึ่งแต่ชไหนจิตของเราจึงยังไม่หลุดพ้นจากอาสวะ โดยไม่ยึดมั่นถือมั่นเล่าทรัพย์สมบัติในตระกูลของเรามีอยู่เราอาจใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญได้ทางที่ดีเราควรบอกคืนสิกขากลับมาเป็นครหัดใช้สอยทรัพย์สมบัติและบำเพ็ญบุญมิใช่หรือท่านพระโสนทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสนเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไร เมื่อครั้งที่เธออยู่ครองเรือนนั้นเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญในการดีดพินไม่ใช่หรือท่านพระโสณะทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสณะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอตึงเกินไปพินของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสณะกราบทูลว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะ พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสนะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอหย่อนเกินไปพินของเธอมีเสียงใช้คารได้หรือท่านพระโสนะกราบทูลว่าใช้การไม่ได้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าโสนะเธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรเวลาสายพินของเธอไม่ตึงไม่หย่อนเกินไป ขึงอยู่ในระดับที่พอเหมาะเพี้นของเธอมีเสียงใช้การได้หรือท่านพระโสนทูลรับว่าใช้การได้พระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโสนเช่นเดียวกันความเพียนที่ปรารบเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านความเพียนที่ย่อหย่อนเกินไปย่อมเป็นไปเพื่อความเกียรคร้านฉะนั้น เธอจงตั้งความเพียรให้พอดีจงปรับอินทรีย์ให้เสมอกันและจงถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นท่านพระโสนะทูลรับสนองพระดํารัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสอนท่านพระโสนะด้วยพระโอวาทข้อนี้แล้วทรงหายไปจากป่าศรีตะวันต่อหน้าท่านพระโสนะมาปรากฏพระองค์ที่ภูเขาคิจกรูดเหมือนบุรุษผู้มีกําลัง เหยดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉชนั้นครั้นต่อมาท่านพระโสณนะได้ตั้งความเพียรให้พอดีปรับอินทรีย์ให้เสมอกันและถือเอานิมิตในความเสมอกันนั้นได้ลีกไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิกายและใจอยู่ไม่นานนับ ก, ก็ได้ทำให้แจ้งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันแท้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยูโจบรมอาจารย์แล้วทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านพระโสณนะได้เป็นพระอรหันตรูปหนึ่งในจํานวนพระอรหันต์ทั้งหลายครั้งนั้น ท่านพระโสนะผู้ได้บรรลุอรหัตผลแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าทางที่ดีเราควรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วยากรอรหัตผลในสำนักพระผู้มีพระภาคเถิดจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ภิกษุเป็นพระอาหารหันตขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปรงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วสิ้นภวะสังโยชนแล้วหลุดพน้นเพราะรู้โดยชอบย่อมน้อมไปในฐานะหกประการคือ 1. น้อมไปในเนคขมมะ 2. น้อมไปในปวิเวก 3. น้อมไปในความไม่เบียดเบียน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 ไม่เห็นว่าตนยังจะต้องทำกิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในเนียขมมะเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในเนียขมมะเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในเนียขมมะเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่า ท่านรูปนี้ต้องการลาบสักระและการสรรเสริญเป็นแน่จึงน้อมไปในปวิเวกแต่ข้อนี้ก็ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องทำกิจอะไรอีกหรือต้องไปสังสมกิจที่ทำแล้วย่อมน้อมไปในปวิเวกเพราะชินราคะเพราะปราศจากราคะ ย่อมน้อมไปในปวิเวกเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในปวิเวกเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้สำคัญไปว่าท่านรูปนี้ถอศีลปะตะปรามาเป็นสาระเป็นแน่จึงน้อมไปในความไม่เบียดเบียนแต่ข้อนี้ไม่พึงเห็นอย่างนั้นเพราะพระขีณาสพผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว ทำกิจที่ควรทําเสร็จแล้วไม่เห็นว่าตนยังจะต้องทํากิจอะไรอีกหรือต้องไปสั่งสมกิจที่ทําแล้วย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความไม่เบียดเบียนเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ ละถึงย่อมน้อมไปในความสิ้นตันหาเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความสิ้นตันหาเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความสิ้นตันหาเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ละถึงย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะ ย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะย่อมน้อมไปในความสิ้นอุปาทานเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะบางทีจะมีบางท่านในพระธรรมวินัยนี้ละถึงย่อมน้อมไป ใ, ในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นราคะเพราะปราศจากราคะย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นโทสะเพราะปราศจากโทสะ ย่อมน้อมไปในความไม่ลุ่มหลงเพราะสิ้นโมหะเพราะปราศจากโมหะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ารูปารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางตามาปรากฏทางตาของภิษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้รูปารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิษุนั้นได้เลยจิตของภิษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่น และภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นถ้าสัทธารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางหูและถึงถ้าคันธารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางจมูกถ้ารสารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางลิ้นถ้าโผฏฐารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางกายถ้าแม้ธรมมารมณ์ที่รุนแรงจะพึงรู้แจ้งทางใจ มาปรากฏทางใจของภิกษุผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วโดยชอบอย่างนี้ธรรมอารมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ครอบงำจิตของภิกษุนั้นได้เลยจิตของภิกษุนั้นไม่ถูกอารมณ์ครอบงำเป็นธรรมชาติมั่นคงหนักแน่นและภิกษุนั้นก็พิจารณาเห็นความเกิดดับของจิตนั้นจิตของพระขีณาสพผู้น้อมไปในเนี่คัมมะน้อมไปในปวิเวกน้อมไปในความไม่เบียดเบียน